สัมผัสตาเสียงสัมผัสหูกลิ่นสัมผัสจมูกรสสัมผัสลิ้นเย็นร้อนอ่อนแขงสัมผัสกายแล้วก็นำสิ่งเห่านี้ไปเป็นอารมณ์ของใจที่รียกว่าธรรนะนี่เราสิ่งเห่านี้เป็นสาเหตุที่จะให้ทุเรศแสดงตัวออกมา ให้เห็นอย่างชัดเจนจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะลูกเสียงกลิ่นลูกเรื่องสัมผัสหรืออารมณ์กับสิ่งนั้นๆเกิดขึ้นจากสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์เป็นอดีตลงไปแล้วนั่นแหละเข้ามาสั่งผ่านในจิตใจทาให้คุณคิดตั้งแต่เรื่องที่เหลือต้อหาเพราะผูกมัดตัวเองเข้าไปเรื่อยๆเสียหาทางแก้ไขไม่ได้ตัวปฏิบัติจึงต้องสังเกตเรื่องของจิต ในขณะที่มีสิ่งต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมผัสจะเป็นกางรูปเสียงกลิ่นรสภายในประการต้องจดจ้องอุทิการแสดงอัคคิยาต่างๆไปตามเสตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องประการจดจ้นงอุทิมีสติเป็นผู้คอยจดจ้องมองดูเป้นทราบว่าดีชั่วพิการณประการใดมีปัญญาเป็นเครื่องเครื่อควรพิจารณาแยกแยกกันออกรู้ตัดกันออกมีสิ่งที่ถือว่าไม่ดี แล้วการปฏิบัติตัองการรักษาตัวเองรักษาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อยู่ทุกเดือาคุณนั่นเชื่อเป็นผู้รักษาตัวด้วยนี่นี่ได้ปฏิบัติมานานถาน ม, มาพอสมควรพอเรื่องของเราสิ่งนี้ทั้งโทษทั้งขุนไม่มีสุ่ใดที่จะเหะนียวแน่นดิ่งกว่าี่เลสที่ฝังตมภายในใจ เพราะฉะนั้นงานอันนี้จึงต้องทุ่มเทกํำลังลงไปเต็มที่เต็มฐานถึงกับต้องเอาชีวิตเข้าแรกก็มีในบางครั้งถ้าไม่เช่นนั้นก็หาความชนะกม่ได้เข้าเข้าใจในสิ่งที่ควรสิ่งที่เราต้องการไม่ได้จึงต้องอาสัยความหนักเบาพุ่มเทกันลงในบางการบางเวลา ถาจิตใจกําลังผาดโผนว่าเต็ม น, นั่นยิ่งเป็นเวลาที่เราจะต้องฝึกประมาณกันอย่างเราอยางพร้ อ, อมกําลังอยากสร้างเหมือนกําลังไว้ซึ่งเป็นการโอนอ่อนต่อเรื่องของที่เหลตองเข็แข็งเป็นก็เป็นตายก็ตายขึ้นชื่อว่าโทษแล้วจะไม่เป็นคุณแต่อย่างไร <c oughs> นี่ก็คือว่าขึ้นชื่อว่าที่เหล็กเนี่ย จะทำปุนเปย์ให้เราไม่ได้จะมีแต่เกี้ยงแต่หนามทิ้งแฉงขึ้นมาเพราะฉะนั้นแงจะรักจะชอบจะพอใจขนาดไหมก็ต้องฝืนจิดฝืนใจต่อสู้แยกแยกกันออกเต็มสติกำลังความสามารถด้วยสติปัญญาของตนที่มีสติปัญญาที่ยังไม่มีก็พยายามฝึกขัดพยายามบำรุงพยายามคิดค้นหแตกขานานออกไปเรื่อย ธรรมปัญญาไม่ใช่จะเกิดขึ้นเองโดยที่เจ้าตัวไม่คิดค้นใตรตรองหรือไม่มีเหตุมาสัมผัสมากระทบกระเทือนจติตใจต้องอาศัยเหตุมากระทบกระเทือนจติตใจน่ะอาศัยการคิดค้นสอหาหตุอหาผลน่ะปันดาเกิดขึ้นเ <c oughs> มื่อได้ใช้ถื่เสมอ ขอย่อมมีทางเจริญก้าวหน้าและแตกแขนงออกไปได้ด้วยๆเหมือนกับต้นไม้แต่บางรูงร่างต้นอยู่น้ำเลือด่อนเมื่อปากดต้นขึ้นมาแล้วสิ่งการสาขาหลั <c oughs> กผลก็ปรากฏขึ้นเองปัญญาก็เหมือนกันความจริงแท้ตามหลักของการปฏิบัต <c oughs> ิปัญญาจะไม่เกิดเองโดยที่มึนท่อเฉยหรือปัญญาจะไม่เกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้ว คุนทราบ ด, ด้วและทราบอยากถึงใจด้วยสมาธิคือความสงบเป็นเรื่องของสมาธิเป็นประเภทหนึ่งยึดเป็นอาการหนึ่งของจิตยึดเป็นคุณคณสมบัติหนึ่งของจิตปัญญาเป็นคุณสมบัติหนึ่งของจิตเป็นคนละประเภทหากเราจะทำให้สนใจกับปัญญาเลย มีแต่สนใจทางด้านความสงบหรือสมาธิอย่างเดียวจิต ท, ทั้งหลายจะมีอยู่เพียงเท่านั้นจากข้าวไม่ออกท่าไม่นําปัญญามาใช้ใ น, นชในการที่ควรใช้หรือเหตุการณ์ที่ควรช้ปัญญาจะไม่แสดงตัวออกมาหนีได้เคยแสดงให้เห็ื่อนฟังหลายครั้งแล้วซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองเมื่อได้เคยรู้เคยเห็นกันมาแล้วการพูดก็รู้ว่าสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นนั้นก็เป็นอาจารย์ตนได้ อาจารย์ของเราได้ดีแน่จะแสดงให้เจ้ผู้ใดฟังข้อม่ข้อแม่เป็นความถึกเพราะเรื่องมันเป็นอยนังน้น่านว่าศีลปฏิภาวนิตตวสม า, สม า, ม า, ธ, มาสธิสมาธิมหาเพลโมติมหามิชันโซสมาธิโมติโมตัวแล้วย่อมมีผลมากมีอันยังไงสุมากสมาธิปิภาวิตาปัญญามหาตาลาโมติมหาิันซ ปัญญาอารมสมาธิอันสมาธิอารมแล้วก็มีผลมากมีอันมีผลมากปัญญาไปภาวิตังอิตตังทัมาเดวะอาเทวิมุตจะติจิตมุตปัญญาได้ออกลมแล้วย่อมหลุดพ้นจากที่เด็ดท่านพวงเลยชอบนี่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้เป็นหลักธรรอันตายตัวแต่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายมักจะคิดว่า เมื่อมีศีลแล้วสมาธิจะมีขึ้นมาเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดแล้วจิตก็หลุดพ้มีเป็นความคิดความคาดเอาเฉยๆไม่ใช่ความจริงความจรินนั้นศีลเราก็รักษาให้เป็นศีลคือความปกติของกายวาจาไม่คนองทางกายวาจาและไม่เสริมโดยทางใจเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย ไม่เป็นอารมณ์ไม่เกิดความปุ่นแปดมันเป็นการก่บควรการทำสมาธิเพื่อความสงบของใจในเมื่อไม่มีอะไรเรื่องก่บควรให้แดือ้อนแล้วการทำสมาธิก็ย่อมมีทางสงบได้เพราะไม่เป็นนิวรณ์มันเป็นอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่มีศีลแล้วจะเป็นการสร้างสมาธิขึ้นหนตัวมีสมาธิแล้วจะสร้างปัญญาขึ้นใตัวอย่างนั้นหาไม่เราต้องทาเอง จะทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยอุบายวิธีใดที่เป็นสมถาวิธีที่สันแสดงไว้หลายแง่หลายประถมเพื่อให้เหมาะกับจิตใจของผู้ปฏิบัติทังนี้ซึ่งมาแตกต่างกันท่านกล่าวไว้ว่าสมถานสี่สิบข้อนะสังเกตเนื้ออุสติสิบเป็นต้นรวมกันทั้งหมดเป็นสี่สิบคำว่าสี่สิบนี้ไม่ใช่ เราจะกว้านออามาปฏิบัติปฏิบัติเมื่อชอบในทำบทใดในสี่สิท ธ, ธิการนั้นก็นำวิธีที่ตนชอบนั้นมาอบรมจิตใจอันเป็นแนวทางส่งบด้วยกจอนใจเมื่อได้อบรมรับการอบรมด้วยความถูกต้องและทำที่เหมาะกับกจิตปิตใจของตอ น, น้็นมีความสงบได้การสงบได้นั้นได้โดยวิธีสมาถาววิธีกน่าง ไม่ใช่วิธีมีสี่นี่วิธีรักษาสี่แล้วสมาธิเกิดขึ้นมันเป็นคนไละอย่างถ้ามันเข้าใจถึงเมื่อจิจในรับความสงบตามวิธีที่ทําโดยถูกต้องเแล้วเป็นความสงบขึ้นในลําดับแล้วการที่จะเคลื่อนไหวทางสติต ท, ท, ทางปัญญาเราก็ควรจะให้เมื่อไหนทางปัญญาก็ถือเอาไตรลักษใ น, ใน จกากาักรวาลของเรานี่ทั้งหมดเป็นสถานที่ทำงานถิ่นไร้รัเป็นทางเดินไร้ลักคืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่แล้วที่กล่าวว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็มีเต็มกันในร่างกายของเราทุกส่วนหรือในขันหานนี่เป็นกองแห่งแต่ไรลรักทั้งหั้รูปก็หมายถึงรูปกาย ก็รกายนี้มีอาการสามสิบสองผมขนยับฟังหนังเนื้อเองกระดูกเรื่องแลก็กระดูกหม้อหมักหัวใจตับทันผิดไตปอดไตใหญ่ไ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่บ <c oughs> นี่เรียกว่าอาการสามสองอันเป็นสุดร่างกายนี่เป็นธาดิ <c oughs> อันนี้ก็เต็มไปด้วยอ น, นิจจังทุกของอนัตตาการพิจารณาใจรักเรามีความถนัดในใจรักดั พึงพิจรณาใจรักณ์นั้นให้มากตามความถนดัดของใจเลยแล้วจะสาม า, า, ารถซึมซาบไปในใจรักเท่าจนกระทั่งรอบขอบจิตจอมบูรณาเป็นที่แหความเป็นใจรักเพราะการทีาา่แจงหมายถึงรูปเวทนาก็เหมือนกันเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆทางกายและทางใจมีได้ทั้งสองสองสองอย่างคือเวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนาก็คือความเฉย ที่ปรากฏขึ้นมเป็นปวดเป็นทุกข์เป็นเฉยๆภายในร่างกายและจิตในี่ก็เป็นความเหม็นแปลาราบับเรื่องจำทุก ข, ขังห้าตากสัญญาคือความจําหน้หมายจาอะไรก็ตามมันก็มีเรื่งใจรับอันเดียวกันแปลสภา without, ดับไปชิป้นไปซุ่นไปเกิดขึ้นมาดับไปถ่ายทอดทันไปเรื่อยๆเลยสั้ ง, ง, ง, สงขานคือความคิดความเป็นตรงดีตร ง, งชั่วตรงเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องเกิดเติมเต็ เป็นทายในสังขางนี้เยีนยายานก็รับทาบสิ่งที่มาสัมผัสเมื่อสิ่งที่มาสัมผัสทานไปอันนี้ก็ดับลงเมื่อทานเข้ามาสั้ผัสก็รับทราบรับทราบอยางนี้ตั้งแตเป็นแก่นละการพิจารณาเรื่องของก่นละพิจารณาอย่างนี้หลัเราจะพิจารณาภายนอกรูปไม่ว่ารูปสิ่งใดสภาวัตถุทางประเทศใดที่มีอยู่ในโลกที่มีภายนอกจาก ร่างายจิตใจเป่างนี้เป็นทําทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาให้เป็นธรรมเรียกว่าเป็นมากได้ทั้งภายนภานอกถ้าจิตพิจารณาให้เป็นมากหรือเป็นทางเลยหรือเป็นเครื่องกําจัดกิเลสถ้าพิจารณาให้เป็นกิเลสเนี้ยภายในร่างกายนี้เข้าเป็นกิเลสได้เห็นถึงว่าร่างกายเป็นของสดใสนามว่ารักใครชอบันก็เป็นการสร้างกิเลสอาสวะให้เต็มขึ้นภายในจิตใจ แล้วกระทานเขาจะตั้งแน่เก็เดินนี่คือการสางที่เลกด้วยความคิดที่ผิดแม้จะพิจารณาร่างกายหรือพิจารณาไปว่็เป็นสมถะคือเป็นที่เละได้ภายนอกสมัครการพิจารณาเห็นว่าสวยสวสวยงดามภารนะกก็ทิ้งทุสิ่งทุอย่างเป็นสิ่งที่ต้องเมื่อต้องกันี่เป็นเรื่องของที่เละล้วนๆพิจารณาตรงกันข้าก็เป็นมากน่ามีเรื่องอุบายของปัญญา ถ้าการคิดกันพ้นอยากอยู่เฉยเฉยในขณะที่ิมีกําลังพอที่จะพิจรารณาโดยอาศัยสติเป็นคู่ควบคุมงานอย่ายให้เผลอในขณะที่พิจรารณาจนปัญญาเกิดขึ้นรู้เหตุรู้ผลเข้าใจอาการต่างๆอย่างร่างกายและเข้าใจเรื่องของจิตหลิประเทศใดที่ควล ร, รับได้ด้วยปัญญาแลนะ้วมันก็ลับมีเรียกว่าเห็นผลทั้งของปัญญา ที่ทำหน้าที่จากนั้นก็ค่มีความดุดเดือดทางด้านตันดาไม่ว่าทํางานใดก็ตามคพือเราถ้ามีแต่ทําให้เกิดผลเกิเปดประโยชน์ันใดแล้วมันก็ขี้เกียจเมื่อมีผลของงานเป็นเครื่องตอบแทนึ้นมามากน้อยก็ให้เกิดความพออุพอใจที่จะต้องเพียรพยายามในงานนั้นต่อไปจกนกระทั่ถงถึงงานนั้นสําเร็จหรือไม่สําเร็จเขาได้มากในใจิตใจเมื่อเราทํางานผลขึ้นมาพอเป็นสักขีพยานแล้ว ความเพียรเพียงไปเองมีการขายัหนหนักเพียงความอดความทนมาด้วยกันมีการพิจารณาปัญญาเราที่มาเพียงขั้นนึงแค่ก่อนขั้นผู้ฟังทั้งหลายนี่ได้สงสัยทางด้านปัญญาเราอยากเข้าใจว่าปัญสมาธิเต็มที่แล้วจึงพิจารณาปัญญาได้นอกจากว่าสมาธิเต็มที่แล้วปัญญาถ้าเกิดอันเป็นความเข้าใจริ่งได้ ให้การเข้าใจว่าเมื่อมีสมาธิเต็มที่แล้วจุดไข้ที่จรนาไปญญาอันนี้ก็เป็นความดมุขังสมาธิคือความสงบใจที่มีความสงบย่อมไม่ยอมไม่ผิวโหยกับอารมณ์ต่างๆที่คิดตั้งนี้ต่างๆซึ่งเคยคิดมาแล้วด้วยความผิวโหยจิตจะสงบตัวความที่จิตสงบตัวนั่นแหละเราจะนําจิตไปใช้การใช้งานอะไรโดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมพิ่เจรนาต่างๆต่างนั้นก็ทำหน้าที่ของเา จะไม่เต็มจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นตามกําลังปัญญาท่านนั้นๆไปโดยลําดับหรือเมื่อเห็นจริงเข้าไปมากปัญญาไม่ต้องบอกเองมุ่งตัวไปเองเพราะเห็นผลกับทนที่เกียจอยู่ได้เลย <S 2> <S 2> <S เห็นผลแล้วเป็นที่ต้องเห็ต้องใจจิตก็ช้องก็งงมีสต่ความก็ะยิบมีความหนักหน่วงในงความความตั้งใจไม่ลดละถอยหลังไปไม่เลื่อนอัน <S <S นี้จิตก็เรียกว่าแดรบบ การแก้ไขถอดถอนที่เร็วประเภทต่างๆออก จ, กจับจสมกับจุดนี้ เ, เรียกร้องขอความแค่เหลือจากเราคือสติปัญญาใช่งหมเมื่อได้ถูกถอดถอนออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่เรื่อยๆอ ก, ก็ย่อมมีความผ่อมใสได้เลยมากจนกระทั่งถึงความปลดพ้นที่ท่านเรียกว่าสัมมัติเลวะคือโดยชอบ หลุดพ้นไปโดยชอบธรรมคือโดยชอบปัญหาทุนสติปัญญาเป็นผู้กัารร้องเป็นผู้ตัดผู้ฝังไปเอไม่แค่สัญญาอารมณ์จะไปตัดไปฟังที่เดชังหา อ, อัตวะอย่นี้แล้วก็สาคัญตรงว่าหลุดพ้นไปความหลุดพ้นด้วยความสําคัญนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของสัญญาแล้วไม่มีความสําคัญเป็นความเข้าใจได้อย่างชาัดเจนว่าที่เรีดชประเภทนี้ขาดไปแล้วประเทศนั่นยังอยู่ที่นานเข้าไปเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆ 542โดยลำดับคามสุขตาจนกระทั่งพิฆาตประสด็นออกไปโดยซึนย้นเชิงจากสมมติทั้งหลายคําว่าพิเรตแต่ประเภทศใดก็ตามก็อยู่ในขั้นสมมุติคธรรมธรรมที่เป็นคู่เทียงกับพิเลตเป็นเครื่อแกรรร้พิเรตทุกประเภทศก็เป็นสมมติเหมือนกันเช่นนั้นสมาธิปัญญาเป็นตนนี่ก็คือสมมติธรรมเครื่องแกรร้เครื่องดัง น, น, น, นี้เมือ่อสติปัญญาให้ทํา <c oughs> การแกรร้พิเรตปัจรรจัยเดชออกจากใจ หมดโดยสิ้งเฉงแล้วปัญหาก็หมดหน้าที่ไปสติก็หมดหน้าที่ไปในการควบคุม ง, งานเพื่อขอดถอนพิริยะนะฮ้ทุกประเภทก็หมดไปจากใจหลังจากนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะพูดอีกพูดได้แต่เพียงว่าจิตบริสุทธิ์หมดหน้าที่ทางานได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เต็ที่แล้ว นี่แหละทำหน้ า, ารรสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างแม่นดังทีส่สุดสวนขาโตรพระวตาธรรมีุเรียกว่าจับไว้ชอบแล้วคือทําอันพระภูมิก็จับไว้ชอบแล้วคือชอบทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายไม่ว่าในแบบการอย่างไรอีกพูดเรื่องที่เลก ก, ก, ก, ก็ชอบทำกันอุบายวิธีแค่จิเลก็ชอบทำถูกต้องกันหมดถ้าเรานําอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นมาปฏิบัติ เกาจะต้องเห็นเร็จเราเป็นผู้ถอดถอนที่งเด็กขาดโดยลําบากลำบากอย่างก็จักใจเยกันห้ารท่าทําเน้นหนักทางความภาคเยียมอยากสงสัยกับสิ่งใดในโลกนี้ซึ่งเคยอยู่เคยอาศัยเคยเป็นเคยตายเคยทุกข์เคยลำบัดมาแล้วไม่น่าสงสัยสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นแต่จอมตราทั้งหลายท่านรู้กันเห็นท่านละมาทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงเป็นจอมโลกก็คือความเบื่อหนูมุ่งหวัง จิตใจตัง้งสิ่งคิดไว้ให้สงบเสมอ้ม่วความเพียรเป็นแค่หนูอย่าเป็นแต่เพียงความต้องการอยากรู้อยากเห็นแล้วมั่นประกอบความภากเพียงให้จนไม่จนไม่สมเหตุสมผลนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์นอันใดจิตเป็นของกระสือมากเมื่อได้ทา แค่หยุ่ถอดถอนสิ่งที่กบฏกบฏโซมงมันเป็นของสัมผัสเร็วตามหาคุณค่าไม่ได้ออกจากต่แล้วใจจะเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศานจะจับตับตนเองโดยไม่ต้องไปถามใครเมื่อถึงท่านนั่นแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายมาไม่ว่าที่ยาบทใดเรื่องการเกิดการตายตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอะไรหมดปัญหาไปพร้อมๆกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งนี ผิดนั้นได้พ้นแล้วจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องครอบครัวสงสัยหรืกังวลต่างๆผิดได้ถ่พ้นแต่หนึ่งแง่ขอปัญหาเมื่อกี้ยังมีอยู่รับผิดชอบกันไปเร่องขาดหนึ่งครั้งเก็บไขได้ด้วยมีความหิวความกระหายอยากหลักอยากนอนก็บังหมัดรับผิดชอบแต่การกำเนิดหรือไต่างการเข้ามาเมื่อันนี้ไปไม่รอดแล้ว าหากานนี้หมดกำลังแล้วก็ปล่อยเสียปล่อยแต่อย่างสะดวกสบายไม่มีอันไหนที่จะมาทำกิใจกาให้เกิดความกังวลรู้หนักหน่วงทวงใจลงไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถัาทิ้งความกังวล น, นี้ไปเสียได้ในขณะนั้นแล้วก็เรียกว่าหมดตังวลทีนี้ไม่ต้องผูกนิพพานทิ้งเพราะผู้นั้นไม่ไม่เป็นผู้สงสัยนิพพานผู้นั้นคือนิพานอยู่แล้วฐานหาไข ไปที่ไหนถามใคธรรมชาตินั้นเป็นดูแล้วรู้ดูแลประจักรือกับตนเนี็ยต้นประธานสีนี่แหละที่ว่าพระพุทธผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็ะานคนคือเห็นอย่างนี้ใครเห็นก็ตามจําไม่ต้องไปทุลถามพระพุทธเจ้าหรือถามถามวอกุงไหนก็ตามเพราะเป็นธรรมเสมอกันเหมือนไปยังความจริงเป็นส่วนด้วยกัน แม้แม่เคเห็นเมื่อเห็น เ, นเขาแล้วเจอเขาแล้วก็เป็นอนัตตหมดความสงสัยทันทีเนี่ยพูดเห็นราษาคนเห็นหนังจิตใจนั่นแหละเป็นธรรมชาตที่พอตัวหายสงสัยทุกแง่ทุกมุมขึ้นคือว่างสมมุติที่สามารถจะไปอสอบสวนทำงานเสียใจได้แม่ที่สุดเพียงความใส่นิ่งในเรื่องตัวเองก็้แม่สบายสบายหายห่วงนี่คือผลห่งการปฏิบัติ หลังทุ่มเทกําลังเอาเป็นเอาตาลงไปผลเป็นเครื่องตอบแทนอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดสำหรัผู้ต้องการความอด้นจากความทุกข์หนักคำว่ากองทุก็คือห่วงแห่งสมมตินั่นแหละวงสมมุตินั้นอยู่ในความรับผิดชอบที่เราอันใดบ้างมีสิงใดบ้างก็คือร่างกายเป็นสําคัญนอกจากนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับรูกเสียงสิ่งลดเครื่องต้องผัด รักชอบต้องการสิ่งนั้นให้เกลียดสิ่งนี้มอนเกี่ยวโยงกันไปไม่มีสิ้นสุดซึ่งเรื่องแรกตั้งแต่เป็นเครื่องก่อกันวลสร้างทุกให้จิตใจในรับความยำบัดระเบนตลอดมาไม่มีความกระจดเที่ไหเรื่องของสมมติถ้าเมื่อได้มีธรรมขึ้นเป็นเครื่องเทียบเท่ากันแล้วเราจะเห็นความต่ําำสมมติกับทางมสูงหย่างธรรมชัดเจนทางในจิตใจดุเดียวกันมาหากมีธรรมเป็นเครื่องปรากฏพอที่จะมาเทียบเียากันโลยนั้น จิตใจก็ไม่ทาราบว่าทําเป็นอย่างไงพอจะเห็นตั้งแต่สิ่งสมมติทั้งหลายว่าเป็นของดีของไม่ดีเรื่อยๆแต่และดีเยี่ยมอย่างนั้นเยี่ยมอย่างนีงง้เป็นเหตุ ป, ตปลุกจิตใจให้เป็นยั่วู้จิตใจให้กํำลังเสริดสารนี้ไปเรื่อยๆแล้วหาหลักหาเหตุไม่เจอแม้จะจุดตาก็ตายทายิ้งเปล่อๆด้วยความหวังเต็มหัวใจแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสนองของหวังนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราผู้ไม่ต้องการเช่นนํา เัาสร้างขวามหลังให้ตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเอง <c oughs> ให้รู้ให้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ด้วยธรรเมีตาอย่างจริงจังประพฤติปฏิบัติให้เห็นทำที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นธรรมที่พร ะ, ระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้วทั้งฝ่ายและเห็นผลมาแล้วทั้งฝ่ายผลเป็นที่พอกระทำได้จริงนำมาสั่งสอนโลกไม่มีการไม่มีสถานที่และไม่ถือว่าเป็นสมบัติของผู้นึ่งผู้ใดศาสาธนธรรมเป็นของกลาง ใครน้อมมาปฏิบัติเข้าเป็นสมบัติของผู้นั้นมีคําว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนักบวชผ่านก็ดีพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติมีนักบวชผู้ปฏิบัตินี่เป็นต้นที่จะสามารถทรงทำแบบนี้ได้ <c oughs> นอกจากนั้นก็ไม่แน่นอนนะ น, นักบวชและนักปฏิบัตินี่เป็นพวกที่แน่นอนมานกกว่าพวกอื่นเหมอนเวลานี้เราเป็นอะไรเอาเป็นนักบวช นักบวชนักปฏิบัติพริกขูทั้งแปลว่าสองอย่างแปลว่าผู้ขออภิบาลอันนี้เป็นทางแต่แบบโลกโลกก็แต่ว่าผูกขอเ <c oughs> ขาเห็นผลนิ่งตั้งนักปฏิวันบวชมาแล้วก็เป็นสบายเอรานเขาด้วยเทศสรรมะขอแบบตามแบบนั้นอันหนึ่งทั้งแปลว่าพริกขูแปลว่าผู้เห็นผันที่บัติต้นให้เห็นผันท้ายมีอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นหลักใหญ่ ใจผู้ก่อนหตุก่อภัยก่อทุกข์ก่อความหมกทั้งหลายพย า, ายามแก้ไขดักแปลงจิตใจทังตนเอาขานที่เลียดด้วยตบปบธรรมคือความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยตายก็ตายโลกนี้มีปัญหาคนไม่ถือศาสนาะไม่รู้จักศีลจกากทางเลยแม้แต่สัตว์เลี้ยงานอันนี้ก็ต้องตายผู้ประกอบความภาคเพียรเพื่อมรรคผลผ่นานก็มีการตายตายก็ให้ตายด้วยความสมหมรณตายให้มีหลักมีเกณฑ์ สร้าหากัากสร้งเจณด้วยือการปฏิบัติตธรรมธรรมะสมบัติเข้าสู่ใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าสมบัติมีหลักมีเกณฑ์ตายที่ไหนก็ตายสะดวกสมายตรอ <c oughs> ขอให้ผ่านถึงถึงปัจจนผมเป็นย่างก็หมีนเพื่องมากมายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการอบรมส่กสอนเสมอเพราะเราไปเป็นผู้น้อยมาแล้วได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์รู้สึกว่าจิตใจเต้ตนต้นขึ้นมา ยิ่งยัง้มแจ่มใสเหมือนกับต้นไม้ที่รับการบำรุงการขาดการได้ยินได้สัง่งนี้จะประกอบความภาคเพี้ยนรือยรู้สึกไม่เต็มไม่เต็นหน่อยด้วยอาศัยธรรมะมทัานสวดสงลงมาที่หัวใจมีเรียกรู้สือว่าชุ่มชื่นเือกบ้างเพราะฉะนั้นภาคปฏิการฟังธรรมในขณะที่ได้รั บ, บการอบรมจากการแสดงธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติอันสําคัญยิ่งกว่าภาคปฏิบัติใดๆ เพราะการฟังทำทำจิตให้มีความสงบได้ในขณะฟังง่ายกว่าที่เราทําโดยลำพังถึงนั้นปัญญาก็มีความขล่องแคล่วแจ้งกล้าขยับไปตามโอว่าที่การสอนแต่ทุกระยะไปนีะยะระยะอะไรอย่างคล่องตัวส่วนมากผู้ฟังต้องจิตต้องนั่งสงบสมืออย่างน้อยขั้นปัญญาแล้วก็ต้องขยับตาให้ค้นให้ดีของวิเศษอยู่ภายในหัวใจาในเรื่องนี้ของสักปรตโซมง สิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่ต่างช้าเหนียวตามห้อมหอดจิตใจใจจึงเป็นเหมือนกับไม่มีคุณค่าเราก็ไม่ทราบว่าใจของเราไ ม, ไ, มไม่มีคุณค่าเมื่อเราไม่ทราบนั้นนะจึงเห็นสิ่งภายนอกนั้นว่ามีคุณค่านั้นว่าดีนี้ว่าดีในกุงเพลือ่เหมือไปตามดีนะแล้วรสชาติต่อก็เกิดประโยชน์อะไรการปฏิบัติธรรมจึงมีเครื่องวัดเครื่องวงมีเื่องเทียบเี่ยากันพอรู้ว่านั้นดีอันนี้ชวยแล้วว่าแก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยๆ จิตได่มีความสงบภายในใจได้อยู่ที่ไหนก็พออยู่พอเป็นอไปพอจิตสงบไม่ก่อเกิดตัวเองขั้นลาดับไปต่อไปก็คือปัญญาที่จะนาต่ให้มองทะลุปัญญางตัดโลกทั้งหลายทั้งเขาทั้งหลังถึงเรื่องกองท่าองขันกองก์กองตั้งแต่พื้นเท้าจนถึงถึงจิตสตั้งแต่บรอวิัมาถึงพื้นเท้าขันขันก็แปลว่าหมดแปลว่ากองก็คือกองทุกข์นั่น ขันหน้านีมันมีความสุขที่ไหนพิณนาที่ได้ไหมสบายดีหเลยว่ามันไปนั่นเดียวธรรมช า, าติของร่างกายแล้วไม่เห็นแสดงความสุขให้เราตากอดนอกจากใจเท่านั้นเป็นทุกแสดงความสุขและทุกข์ให้ตากอดอย่างเป็นที่กับทุกข์กับทุกสัตว์ร่างกายถ้ามันก็บูรณบรูรณเต็มที่มันก็อยู่ตามลนพางของมั น, ม, นมันไม่เป็นโรเป็นภัยอะไรเพราะว่าชมาลีความจริงร่างกายไม่แสดงความสบายให้เห็นเดียวใจเป็นของกลางแสดงความสุกความทุกข์เห็นอย่างชัดเจนเพราะฉันตรงแจ้งตรงแจ้ที่จุดนี้ แก้ได้แล้วก็แสงสมัยต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เพนฟัง